อันนี้เึื่อนไปเชียงใหม่แล้วเลยกาจะไปนานเลยเลย ที่ไปอยู่มิอยู่กันเยอะไหมมีนคนเดียวแล้วมีมีคนที่อยู่ประจำไหม ปฏิบัตกันเอาเอง ให้เลี่ยงก่อนต้องฝึกสติให้มากๆการที่ไปอยู่ในที่น่ากลัวมันจะทําให้เรามีสติเพระเราจะไม่กล้าไปคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้เวลาเดินไปนี่ยมักจะต้องคอยระวังความระมัดระวังนี่เ ร, เรียกว่าการมีสติการกระทําะไยเรื่องความระมัดระวังนี่เราต้องทําด้วยความตั้งใจ ใจเราจะลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ะฉะนั้นการฝึกสติการภาวนาจึงมักจะได้ประโยชน์จากการไปอยู่ที่น่ากลัวที่มันมีภัยรอบด้านมันจะทำให้เรามีความระมัดระวังตื่นตัวถ้าเราอยู่ในที่ปลอดภัยนี่เรามักจะไม่ระวังเราก็จะใจลอย ตัวไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวร่างร่างกายอยู่ตรงนี้แต่ใจไปอยู่ต้งไหนก็ไม่รู้ลงไปที่อยู่ที่นี่แต่อาจจะไปคิดถึงบ้านไปคิดถึงที่ทำงานคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้นังนนน่งสมาธิก็จะไม่นิ่งเพราะมัวแต่คิดคิดถ้าคิดแล้วมันก็ไม่นิ่งจะให้มันนิ่งเงมันต้องไม่คิด จะไม่คิดก็ต้องมีสติคอยดึงเอาไว้เวลาจะคิดอะไรก็ดึงกลับเข้ามาไปเดินจงกรมในป่าเงี้ยมันจะไม่กล้าคิดอะไรมากเพราะมันจะต้องคอยดูทางเดินเดี๋ยวงูก็เลยออกมารือเปล่าเดี๋ยวตะขาบเลยเดี๋ยวสัตว์เลื้อยทานมันก็จะมีความระมัดระวังไม่กล้าที่จะไปคิดถึงที่นั่นที่นี่ เดินจงกลมอย่างนี้ก็จะมีสติและเวลามานั่งสมาธิมันก็จะนิ่งให้มันดูลมหายใจมันก็จะดูลมหายใจอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้พอไม่คิดจะพักมันก็รวมรวมเป็นหนึ่งยเราปกติมันจะกระจายออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกาย เมือนไฟฉายแสงไฟชายมันจะกระจายออกจากหลอดนยเวลาเราเปิดไฟฉายนี่หลอดเล็กนิดเดียวแต่แสงไฟนี้มันจะกระจายออกไปเวลาเราปิดปิดปิดไฟฉายมันก็เหมือนกับดึงนึงไฟกลับเข้ามาที่หลอดใจเราก็เหมือนกับหลอดไฟฉายเนี่ยที่มันจะกระจายไปทางตาหูจมกูกเือกาย มันจะชอบดูชอบฟังชอบคิดชอบริ่มรสนมกลิ่นมันจะส่งวิญญาณออกไปออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็เกิดอารมณ์จากการไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสอารมณ์รักชงังกลัวหลงขึ้นมาเห็นเห็นรูปบางอย่างก็รักบางอย่างก็ชงังบางอย่างก็กลัว บางอย่างตลงมันจะทำมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดนอกจากเวลานอนหลับเวลานนหลับนี่เราก็พักชั่วคราวร่างกายไม่ได้ใช้ร่างกายใจยก็ไม่ได้ส่งไปห า, หาลูกเสียงกินลดแต่ใจก็ยังไม่สงบเพราะว่ายังมีความคิดอยู่เวลานอนหลับนี่เรายังคิดกันอยู่ เวลาเราฝันนี่แหละเป็นความคิดทั้งนั้นแล้วเราก็จะฝันดีฝันไม่ดีตามบุญตามบาปที่เราทํากันนี่อพราเรื่องที่เราฝันก็เป็นเรื่องที่เราไปทํามาเราไปทําบุญมาไปทําความดีมาเวลานอนหลับอันเรื่องที่เราไปทําความดีมันก็จะโผล่ขึ้นมา พอใจเราเป็นเหมือนเครื่องอัดเสียงเครื่องถ่ายภาพวิดีโอเราทําความดีมันก็จะบันทึกเอาไว้ทําความไม่ดีมันก็จะบันทึกเอาไว้แล้วเวลาเรานอนหลับเนี่ยเราไม่มีสติควบคุมความคิดมันก็จะคิดไปตามกําลังของของความดีความไม่ดีที่เราไปทํำม า, างั้นถ้าเรานอนหลับแล้วฝันดีนี่แสดงว่า เราได้ทําความดีมาแล้วถ้าเรานอนหลับแล้วฝันร้ายเนี่ยแสดงว่าเราไปทำํำบาปมาทําเรื่องไม่ดีมาเรื่องดีเราก็เรียกว่าสวรรค์เรื่องไม่ดีเราก็เรียกว่าอบา ย, เ, ยเวลาเราไม่มีร่างกายตอนเรานอนหลับเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกาย เหมือนเราตายไปชั่วคราวตอนนั้นใจไม่ได้ใช้กับไม่มีไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกายแต่ใจยังมีความคิดอยู่ก็คิดไปตามกำลังของบุญของบาปที่ทา ม, มาอันนี้ก็เป็นเหมือนกับการไปสวรรค์ไปอบายชั่วคราวพอเดี๋ยวร่างกายตื่นขึ้นมามันก็ดึงใจให้กลับเข้ามาที่ร่างกาย กลับ เ, เข้ามาหารูปเสียงกลิ่นรสกระจายออกมาที่รูปเสียงกลิ่นรสใหม่แต่ถ้าเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปมันก็จะฝันยาวฝันไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่คลอดออกมาจากท้องแม่ก็ตื่นขึ้นมาเด็กมันตกใจตื่นขึ้นมาเราอยกจากท้องแม่นี่คือเรื่องของความตาย ของการเกิดมันก็เป็นเรื่องของการนอนหลับแล้วก็นอนหลับแล้วก็ตื่นถ้าเรานอนหลับแล้วตื่นแล้วได้ร่างกายอันเก่ามันก็เป็นการนอนหลับไปถ้านอนหลับแล้วตื่นแล้วได้ร่างกายอันใหม่ก็แปลว่าเราตายไปแล้วร่างกายอันเก่าตายไปแล้วเราได้ร่างกายอันใหม่โผล่ขึ้นมาแต่ตัวเราก็เหมือนเดิมเราไม่ได้เปลี่ยนไปกับร่างกาย เหมือนกับเราเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าเราไม่ได้เราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่ร่างกายเดิมอยู่เพียงแต่เปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดไปเที่ยวใส่ชุดไปทำงานใส่ชุดไปงานเลี้ยงนี่มันก็ทำให้เราเหมือนกับเป็นคนละคนไปใชเวลามาวัดนี่ใส่ชุดอย่า ง, งอพอไปงานเลี้ยงใส่อีกอย่างหนึง่งบางที จำไม่ได้เลยคนที่มาอยู่วัดแล้วก็คนที่มาทําบุญคนเดียวกันเนี่ยแตไม่เหมือนกันเวลามาอยู่วัดไม่ได้แต่งหน้าทาปากไม่ได้วิ้าควีผูมิพอมาทําบุญเฉยๆแต่งหน้าทาปากใส่ชุดสีนั่นสีนี้จําไม่ได้เลยเป็นคนละคนเลยอันนี้นมันเปลี่ยนแต่เฉพาะอะ รูปร่างหน้าตาแต่คนก็คนเดียวกันใจเราก็เหมือนกันเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนร่างกายเราก็ยังเป็นคนเดียวกันอยู่เคยคิดอย่างไรเคยมีความรู้สึกอย่างไรเคยชอบทำอะไรอย่างไรไม่ชอบอะไรเกลียดอะไรรักอะไรมันก็จะเหมือนเดิมเคยใช้มือซ้ายก็จะใช้มือซ้ายต่อไป เลยใช้มือขวาก็จะใช้มือขวาต่อไปนี่เป็นการพิสูจน์ว่าเราไม่ได้ตายแล้วเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงเหมือนกับรถยนต์ที่เราใช้ขับไปไหนมาไหนคนขับรถคนเดิมเปลี่ยนรถเกีย์คันก็ขับแบบเดิมบางคนก็ขับแบบเรียบร้อยบางคนก็ขับแบบ ัวภาพเป็นลกกิฟต์นาฬิกาสวิตชสวานอันนี้ก็ลดเปลี่ยนไปแต่คนขับก็คนเดิมวิธีขับก็ขับแบบเดิมดันั้นเราขอให้เราสบายใจได้ว่าเราไม่เคยตายกันสิ่งที่ตายไม่ใช่เราสิ่งที่ตายเป็นเหมือนรถยนต์ที่เราเปลี่ยน ร่างกายเนี่ยเป็นเหมือนรถยนต์เราเปลี่ยนมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันก็แก่มันก็เจ็บแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่หายใจก็เหมือนรถเสียรถเสียเราก็ทิ้งมันไปแล้วเราก็ไปซื้อรถใหม่นี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเราเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆแต่เราไม่ได้ตายเกิด สิ่งที่ตายเกิดก็คือร่างกายแต่ละร่างที่เราได้มาร่างกายร่างนี้ก็เป็นร่างอีกร่างหนึ่งที่เราได้มาถ้าจะนับลำดับก็คงจะนับไม่ไหวเพราะว่ามันมากมากเสียจนนับไม่ท่วนนับไม่ได้แต่อยากจะรู้ว่ามันมากแค่ไหนก็ให้ลองเอาน้ำตาที่เราร้องไห้ในทุกทุกชาติมารวมกัน ชาต น, นี้เราร้องไห้มาได้น้ําตาถึงขวดได้ยังเวลาเสียใจร้องหม่มร้องไห้ร้องเรามาเก็บเอาไว้ในขวดดูสว่าจะได้สักกี่ขวดแล้วมารวบรวมกันในจํานวนที่เรามาเกิดตายเนี่ยท่านบอกว่าน้ําตาที่เราหลั่งเนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรเสียอี่คิดดูน้ำในมหาสมุทรได้มากขนาดไหนในทะเลเนี่ย แถวพัทยาเนี่ยถ้าจะไปเอาขวดใสเนี่ยไม่รู้ต้องเอาขวดไปกี่ล้านขวดถึงจะเอาน้ำทะเลที่อยู่ในพัทยานี้ให้มันแห้งไปได้เนี่ยนั่นแหละจานวนร่างกายที่เราได้มากันที่เราได้มาแล้วก็เสียไปได้มาเราก็เรียกว่าเกิดพอเสียไปเราก็เรียกว่าตาย ปัญหาของเราอยู่ตรงที่ว่าเราไม่รู้ความจริงอันนี้เราไม่รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่รู้ว่าเราเป็นใจใจคือใครใจก็คือผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้น่างกายทำอะไรต่างๆคือใจผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านทางตาหูจมูกมิ้นกายก็คือใจนั่งกายไม่รู้ว่ามันเห็นอะไรนะนร่งกายมีตา แต่ร่างกายไม่รู้ว่ามันมองเห็นอะไรเหมือนกับกล้องถ่ายรูปเนี่ยกล้องถ่ายรูปมันไม่รู้ว่ามันกำลังถ่ายอะไรคนที่รู้ก็คือคนถ่ายคนที่ถือกล้องใจก็เหมือนกับใช้ตาเราเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปที่เราต้องการเราชอบเราชอบรูปไหนแล้วก็ไปหารูปนั้นใช่ไหมเราไปดูหนังฟังเพลงเนี่ยแสดงว่าเราชอบรูปของภาพยนตร์ เราไปฟังเพลงเราชอบเสียงเพลงเราก็ไปฟังแต่ตัวร่างกายนี้มันไม่รู้ว่ามันมันเห็นรูปอะไรมันได้ยินเสียงอะไรร่างกายไม่มีความรู้ไม่มีความรู้รสึกนึกคิดความรู้สึกนึกคิดนี่ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ใจที่เป็นเหมือนอีกคนหนึ่งเป็นเหมือนคนขับรถ เงแต่ว่าใจไม่มีรูปร่างหน้าตาให้เราเห็นนะเราเลยไม่รู้ว่าใจนี่เป็นแยกออกไปจากร่างกายเราก็เลยเหมาไปว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนเดียวกันอยู่ด้วยกันแล้ร่างกายตายไปเราก็คิดว่าเราตายไปกับร่างกายเราก็เลยกลัวความตายกัน เพราะว่าเราอยากจะอยู่เราคิดว่าเวลาตายแล้วเราจะไม่สามารถทำอะไรได้ไม่สามารถหาความสุขต่างๆที่เรากำลังหากันอยู่ตอนนี้ได้เหมือนไปติดคุกติดตารางนี้เราก็กลัวกันพอเวลาไปติดคุกก็ไม่สามารถไปหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ก็เหมือนกับร่างกายตายไปตอนนั้นเราจึงกลัวความตายของร่างกาย เราเลยไปคิดว่าเราตายไปกับร่างกายด้วยเราเลยทุกข์กับร่างกายตลอดเวลาห่วงกำวลวิตกกลัวว่าร่างกายจะเป็นอะไรแต่ให้กลัวยังไงร่างกายก็ต้องตายอยู่ดีแต่เราไม่คิดกันเรากลัวกันไม่กล้าคิดถึงความตายเพราะกลัวว่าเพียงแต่คิดถึงความตายแล้วจะทำให้เราตายกัน ไม่กล้าคิดความตายกันเราก็เลยไม่ไม่ดูวิธีที่จะปฏิบัติกับความตายอย่างไรเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายยังมีคนฉลาดคนเดียวท่า น, นที่รู้ว่าร่างกายไม่ใช่เป็นใจก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ ท่านตัดสนรู้เนี่ยท่านตัดสรู้ว่าร่างกายกับใจนี่เป็นคนละคนกันใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรตามคำสั่งของใจเพราะใจอยากจะมีความสุขใจก็เลยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาความสุขเวลาเราไปดูอะไรแล้วเราก็เกิดความสุขขึ้นมา เวลาเราได้ดื่มได้รับประทานอะไรเราก็เกิดความสุขขึ้นมาเราเลยต้องเวลรักษาร่างกายของเราให้ดีเพราะถ้าร่างกายเป็นอะไรไปเราจะไม่สามารถดูฟังได้เราก็เลยกลัวความแก่กันกลัวความเจ็บกันกลัวความตายกันเราก็เลยต้องมาทุก ความสุขที่เราได้ก็ต้องมีต้องมีความทุกข์ตามมาด้วยพระพุทธเจ้านี้ท่านทรงคนพบว่าเราสามารถหาความสุขได้อีกรูปแบบหนึง่งหาความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขด้วยการนั่งเฉยๆนั่งหลับตานั่งหลับตาแล้วทำใจให้นิ่งให้สงบเวลาใจสงบ ใจนิ่งแล้วใจจะมีความสุขมากมีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้รับจากร่างกายผ่านทางร่างกายถ้าเราได้รับความสุขจากการนั่งเฉยๆทำใจให้สงบได้แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายพอเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็จะไม่เดือดร้อน เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บแล้วร่างกายตายไปว่าเราสามารถมีความสุขได้ด้วยการทำใจให้สงบการทำใจให้สงบเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือสิ่งที่ทำใจให้เราสงบก็คือสติเนที่เราต้องไปอยู่ป่ากันเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้มีสติขึ้นมา พอมีสติเราก็จะหยุดความคิดหยุดใจได้ทำใจให้นิ่งได้พอใจนิ่งแล้วเราก็จะสบายร่างกายเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรก็เท่ากันเพราะเราไม่ต้องอาศัยร่างกายแล้วเวลาใจสงบเราก็จะรู้จักใจรู้จักตัวเรารู้จักว่า อ, อนี่แหละคือตัวเรา เป็นผู้รู้ผู้คิดนี่ตอนนี้ผู้คิดหยุดคิดไปชั่วคราวเหลือแต่ผูร้รู้ส่วนร่างกายนี้หายไปจากการรับรู้เพราะใจได้ดึงกระแสที่ไปเกาะติดอยู่กับร่างกายออกมาแยากออกมาใจสงบใจจะรวมเข้าสู่ตัวรู้ผู้รู้ไม่ส่งออไปที่ตาหูจมูกลิ้วกายการรับรู้ ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะหายไปนี่คือวิธีพิสูจน์ว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันถ้าเรานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ใจของเราจะแยกออกจากร่างกายตอนนั้นร่างกายเป็นอะไรเราไม่รับรู้ไม่สนใจเวลานั่งอยู่ในสมาธินี้ ร่างกายจะเจ็บจะปวดยังไงนี้เราจะไม่ไม่รับรู้หรือถ้ารับรู้ก็ไม่ลำคาญจะเฉยเฉยเฉยเฉยกับมันที่เรียกว่าเป็นอุเบกขาใจจะไม่ลำคาญกับรูปเสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสอันนี้แหละจะทำให้เราหูตาสว่างขึ้นจะทำให้เราสามารถปล่อยวางร่างกายได้ สามารถเห็นความจริงของร่างกายได้ว่ามันเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งเหมือนเป็นคนรับใช้ที่มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่มีใครอห้ามมันได้ไม่มีใครห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ร่างกายมันเหมือนดินฟ้าอากาศเหมือนลมพัดนี้ ไม่มีใครไปสั่งให้นมพัดหรือสั่งให้นมหยุดพัดได้นะนมมันจะพัดมันก็พัดมันจะหยุดมันก็หยุดฝนจะตกมันก็ตกมันเป็นธรรมชาติเราจึงไม่เค่อยทุกกับธรรมชาติใช่ไหมเรารู้ว่าเราไปควบคุมบังคับทำกับธรรมชาติไม่ได้เราก็เราอยู่กับธรรมชาติไปนมพัฒเราก็อยู่กับมันไปนมหยุดพัดเราก็อยู่กับมันไปอากาศเย็นเราก็อยู่กับมันไป อากาศร้อนเราก็อยู่กับมันไปได้เราไม่ค่อยทุกกับธรรมชาติแต่เราไปทุกกับร่างกายที่เราไปหลงคิดว่าไม่ใช่เป็นธรรมชาติเราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราที่เราควบคุมบังคับได้แต่เราก็ควบคุมบังคับได้บางส่วนบางเวลาเช่นส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็บังคับมันได้สั่งมันได้สั่งให้มันยืนสั่งให้มันเดินสั่งให้มันนั่งสั่งให้มันนอน สั่งให้มันทําอะไรต่างๆได้แต่มันดีคืนดีก็อาจจะสั่งไม่ได้แค่มันอยู่ดีๆก็ไม่สบายขึ้นมาจะสั่งให้มันหายมันก็ไม่หายมันจะมีเวลาที่ร่างกายจะยังไม่อยู่ภายใต้คําสั่งของเราแล้วพอเราอยากจะไปสั่งมันมันก็จะทําให้เราทรมานใจเวลาไม่สบายนี้เราจะทุ ไม่สบายใจเพราะอะไรเพราะเราอยากจะสั่งให้มันหายอยากให้มันหายเร็วๆไปหาหมอแล้วหมอก็ให้ยามาแล้วแต่ยังไม่หายเพราะจะใจเราอยากจะไปทําอะไรต่ออยากจะใช้ร่างกายไปทํานู่นทนํานี่เหมือนกับเราใช้รถยนต์เนี่ยเวลารถยนต์เสียเราก็ต้องเอาเข้าอู่อันนั้นเราอย่าเอารถยนต์ไปวิ่งก็ไม่ได้ะ เราก็จะงดหยุดลำคาญใจเมื่อไหร่มันจะเสร็จทันทีเมื่อไหร่จะซ่อมเสร็จทันทีเราจะได้เอาไปวิ่งได้เดี๋ยวนี้เขาก็เลยมีวิธีแก้วความลำคาญใจเวลารดเสียเขาก็มีรถให้เช่าให้ยืมเอจะได้ไม่ลำคาญแต่ร่างกายเราไม่มีให้ยืมยนะร่างกายนี้เสียเขาลองพยาบาลไปยืมร่างกายคนอื่นไปไม่ได้นะ ปัญหาของเราตอนนี้ก็คือเราไปใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆพอเวลาที่ร่างกายมันมีปัญหาขึ้นมาเราก็ไม่สามารถไปหาความสุขได้เวลาร่างกายไปติดคุกติดตารางก็เหมือนก็มีปัญหาขึ้นมาแล้วพอไปติดคุกติดตารางจะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ไปหาเพื่อนฝูงก็ไปไม่ได้แล้ว คนจริงไม่ค่อยชอบติดตารางกันเหมือนกับคนไม่ชอบเอารถไม่ไม่ชอบเอาร่างกายเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลก็เหมือนไปติดตารางเหมือนกันอสมัยนี้เขาก็มีวิธีรอดให้คนไม่ติดตารางคนมีเงินเขก็ทำโรงพยาบาลไปเหมือนโรงแรมแต่ก็ยังสู้เวลาไม่ได้อยู่โรงพยาบาลไม่ได้อยู่โรงพยาบาลต่ให้มัน สุขสบายเหมือนโรงแรมห้าดาวมันก็ยังเหมือนติดคุ้นอยู่นั่นอะ่ะมันก็ยังไปไหนมาไหนไม่ได้จะดูจะฟังจะกินจะเดินอะไรมันก็ไม่อร่อยไม่สนุกเพราะมันปวดตรงนั้นมันเจ็บตรงนี้นี่คือปัญหาของพวกเราทุกคนที่มาเกิดเรามาเกิดเพระเรามีความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็เลยต้องกลับมา เปลี่ยนร่างกายอยู่เรื่อยนที่ร่างกายมันไม่มันมีปัญหาตรงที่ว่ามันเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะถ้าร่างกายมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหมือนใจพวกเราก็จะไม่มีปัญหากันจะอยู่กันไปสบายมีปัญหามันอยู่แค่ตรงเนี้ยเราใจเรานี่ไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายแต่ร่างกายที่เราหามาแต่ละครั้งนี้มันมีวันแก่วันเจ็บวันตายของมัน มันก็เลยทําให้ใจเดือดร้อนเวลาที่มันแก่มันเจ็บมันตายเพราะนี่เลยเป็นเหมือนกับเป็นโจทย์ให้พระพุทธเจ้ามานั่งคิดว่าเอ๊ะทาไมต้องมาแก่มาเจ็บมาตายทําไมอไม่ต้องมีร่างกายไม่ได้เนี่ยไม่ต้องมาเกิดไม่ได้เนี่ยนั่นก็เลยวิจัยใช้ภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าวิจัยค้นคว้า หาความจริงเหมืนนักวิทยาศาสตร์ในสมัยก่อนเขาว่านั่งดูอ่ผลไม้ที่มันหล่นมาจากต้นะมันทําไมอ้ผลไม้ทําไมมันนมมันมีแต่หลนลงมาหล่นลงมาทำไมันไม่มีมันลอยขึ้นไปบ้างแล้วก็เได้ข้อสรุปว่ามันต้องมีอะไรหนึงมันลงมาสิไม่มีอะไรใดหนึ่งขึ้นไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันมีแต่ลงมาทั้งนั้นเราลอง ลงลงมาจากตึกชั้นสองดูหน่อยกระโดดลงมามันไม่ก็มันไม่ลอยขึ้นไปมันตกลงมาอด้วนก้อนหินขึ้นไปมันเดี๋ยวมันก็ตกลงมาอะไรทุกอย่างนี่มันเป็นมีแต่ตกลงมาอย่างเดียวมันไ ม, ม่รอยขึ้นไปเขาก็เลยได้ข้อสรุปว่ามันต้องมีอะไรเบ่งมันลงมาในส่วนให้พวกที่มันทำไมไม่ลงมาอยาเช่นใบไม้เวลาลมพัดทาไมไมันไม่ลงมา ก็แสดงว่าลมนี่มันมีกำลังมากกว่าแรงที่จะดึงใบไม้ลงมาเวลาลมพัด น, นี่ใบไม้เปลวขึ้นท้องฟ้าแต่เวลาที่ลมหยุดพัด น, นี่ใบไม้ต้องลงมาเขาก็เลยได้ความคิดว่าถ้าอยากจะให้อะไรลอยขึ้นไปก็ต้องมีอะไรมีอะไรดันมันขึ้นไปเขาก็เลยคิดถึงจรว ด, ดคิดถึงเครื่องบินยางขึ้นมาก็เลยสามารถถิต เครื่องดินเครื่องอะไรต่างๆขึ้นมาได้ก็พอาอาศัยการวิจัยนี่การคิดนี่ถ้าไม่คิดก็จะไม่รู้ว่ามันทำไมถึงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็วิจัยดูงเหมือนกันว่าเทำไมต้องมาแก่ต้องมาเจ็บต้องมาตายท่านก็วิจัยเห็นว่าเหตุที่มาเกิดม า, มาแก่มาเจ็บมาตายก็คือการเกิดพอแก่แล้วมันก็ต้องแก่เจ็บตาย ธรรมชาติของร่างกายแล้วเราจะอยู่ในภพไหนจักรวาลไหนเหมือนกันถ้ามีร่างกายแล้วมันต้องแก่เจ็บตายทั้งนั้นจะไปเกิดเอกเอกเอจกจักรวาลหนึ่งเอกดวงดาวอีกดวงหนึ่งก็ถ้ามีร่างกายมันก็จะแก่จ็เจ็บจะตายเหมือนกันมีอะไรมันก็ต้องเสื่อมทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าภูเขามันไม่มีอะไรที่จะ นิ่งอยู่เหมือนเดิมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมีการเข้าสู่ความเสื่อมท่านลุงเจ้า ก, ก็เลยเห็นว่า อ, อ๋อถ้าไม่อยากจะแก่จะเจ็บจะตายก็ต้องไม่เกิดทีนี้อะไรล่ะทำให้มาเกิดก็หลายคนพบว่าก็ความอยากนี่แหละความอยากใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆ อยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสดมกลิ่นก็เลยต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายไว้สําหรับดูสําหรับฟังดูรูปฟังเสียงลิ้มรสดมกลิ่นทุกวันนี้่เราวิธีหาความสุขของเราก็หากลับไอ้ห้าตัวนี้แหละหากับรูปเสียงกลิ่นรสโพธพิภพหาไปจนกว่าวันที่ร่างกายมันบอกว่า หาไม่ได้นะ้ะก็ต้องหยุดหรือเครื่องมือที่จะหานอกจากร่างกายแล้วยังอาจจะต้องมีอย่างอื่นหาอีกเช่จนจะไปเที่ยวมันก็ต้องมีเงินทองถึงจะไปเที่ยวได้ถ้าไม่มีเงินทองก็ไปไม่ได้พอไปไม่ได้ต้องอยู่บ้านก็งดเกลียดลำคาญใจว้าเวยเศ้าสร้อยงอ ย, หอยหงเหงาการที่มีร่างกายไม่ใช่ว่าจะมีแต่ความสุขตลอดเวลา บางเวลาก็ไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้มันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาบางทีทุกข์มากๆ ก, ก็อยากจะคิดฆ่าตัวตายกันอย่างในนี้เมื่อเร็วๆนี้มีข่าวที่ประเทศออสเตรเลียเขาก็ออกกฎหมายอนุ ญ, ญาตให้หมอแพทย์ทำให้คนไข้าตายได้ถ้าคนไข้ไม่อยากจะอยู่อยากจะตายเพราะว่ามันทรมาน ร่างกายมันเจ็บไม่สามารถหาความสุขได้ผ่านทางร่างกายอยู่ไปก็ทรมานไปเปล่าๆก็เลยอยากจะฆ่าตัวตายแต่นี้ก็ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาอาจจะเป็นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือพอตายไปแล้วความทรมานก็หายไปชัว่วคราวแต่มันไม่หายไปถาวรเพราะว่าต้นเหตุที่ทำให้มา ทรมาณนี้คือความอยากมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขมันไม่หมดไปกับความตายความทรมานนี้มันเกิดจากความอยากที่เราจะใช้ร่างกายหาความสุขแล้วหาไม่ได้เช่นเวลาเป็นโรคร้ายโายครคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันไม่สามารถไปหาความสุขได้เหมือนตอนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เลยไม่อยากจะอยู่ ความจริงวิธีที่จะทำให้ไม่ท ร, รมานใจก็มีอยู่แต่ไม่มีใครรู้กันวิธีที่ทำให้ใจไม่ท ร, รมานก็คือหยุดความอยากใช้น่างกา ย, ยหยุดความอยากไปเที่ยวเวลาไม่สบายก็ทำใจให้นิ่งเฉยเฉยอย่าไปมีความอยากทำใจให้สงบทำสมาธิทำสมาธิได้ใจสงบใจก็ไม่ท ร, รมานนอกจากไม่ท ร, รมานแล้วยังมีความสุข โดยที่ร่างกายอาจจะเจ็บจะปวดแต่ใจจะไม่ลาคาญกับความเจ็บปวดของร่างกายเวลาใจสงบอันนี้ไม่มีใครรู้นอกจากพวกที่มาศึกษาจากพระพุทธศาสนาจะรู้วิธีที่เราจะสามารถอยู่กับร่างกายได้ไปจนถึงวันตายโดยที่ไม่ทา ม, มานอยู่กับความแก่ได้อยู่กับความเจ็บได้อยู่กับความตายได้ ตายแล้วก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายใหม่ได้เพราะว่วาพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ค้นพบว่าตัวที่ทำให้เรามาเกิดกันก็คือความอยากนี่แหละอยากหาความสุขทางร่างกายกันเราก็เลยต้องมามีร่างกายแล้วพอมีร่างกายก็อยากจะให้ร่างกายนี้ทำหน้าที่ไปตลอดไม่ให้มันหยุดเพราะเวลามันหยุดทำหน้าที่มันก็ทำให้เราทุกขึ้นมา เพราะความอยากเราไม่ได้หยุดไปกับการทำหน้าที่การหยุดทำหน้าที่ของร่างกายแต่ถ้าเรารู้จักหยุดความอยากเราได้เราจะไม่ทรมานใจเวลาที่ร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่ของมันได้เพราะเราจะ ม, มีมีวิธีหาความสุขแบบใหม่คือเวลาเราหยุดความอยากได้นใจจเราจะสงบใจเราจะมีความสุขขึ้นมา นี่คือเรื่องของการหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายคือใช้สติแทนสตินี่เป็นตัวที่จะทำให้ใจของเราสงบ พ, พอใจสงบแล้วใจเราจะเย็นจะสบายจะไม่ต้องใช้ร่างกายไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปกินไปดื่มไปดูไปฟังไปทำอะไรต่างๆกับร่างด้วยร่างกาย แล้วเวลาร่างกายแก่เราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนร่างกายตายไปเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วตายไปแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่อีกเพราะเรามีความสุขอยู่แล้วในตัวเรามีความสุขที่เกิดจากการหยุดความอยากด้วยการทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วความอยากก็จะหยุดทำงานความทรมานใจต่างๆที่เกิดจากความอยากก็จะหายไป อันนี้พวกเราใช้ความอยากเป็นเครื่องมือหาความสุขกันอยากจะได้อะไรก็ไปซื้อมาอยากจะดูอะไรก็ไปซื้อมาเดี๋ยวมันจะต้องไปเจอวันที่อยากแล้วทำไม่ได้เช่นไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งขั้นที่สามแล้วทำอะไรไม่ได้ต้องเอาแต่เคมอย่างเดียวตอนนั้นก็ไม่อยากจะอยู่นะอยากจะฆ่าตัวตายอันนี้แหละเราฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหา ถ้ความอยากมันก็ยังอยู่ที่ใจใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากที่อยู่ที่ใจก็ไม่ได้หายไปมันก็จะพาให้เราไปมีร่างกายอันใหม่และพอเกิดใหม่แล้วก็มาหาความสุขแบบนี้ใหม่ไปจนถึงวันที่แก่วันที่เจ็บแล้วก็จะคิดหาวิธีข้าตัวตายกันไว้มันก็จะไม่มีวันสิ้นสุดไปนะ แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าเราควรที่จะหาวิธีหาความสุขแบบใหม่กันดีกว่าอย่าไปหาความสุขแบบแบบเก่าใช้แบบร่างกายนี้เลยเพราะมันจะต้องเจอกับความทุกข์ทรมานใจต่อไปในวันข้างหน้าเวลาที่เราไม่สามารถใช้นั่งกายหาความสุขได้เราจะทุกข์มากถึงอยากจะฆ่าตัวตายกัน ถ้าเรามาหาวิธีหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายได้เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนกับเรื่องของร่างกายร่างกายจะสบายหรือไม่สบายร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บจะไปไหนได้หรือไปไหนไม่ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราสามารถหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายใช้สติใช้สติใช้ธรรมะคำว่าธรรมก็คือสตินี่ก็เป็นธรรมอย่างหนึง่งเป็นเครื่องมือ ที่จะทำให้ใจเราสงบสงบเมื่อแล้วใจเราก็จะสบายมีความสุขแต่ความสงบนี้ที่เกิดจากสตินี้มันจะสงบได้เป็นพักๆเท่านั้นเองเพราะว่าความอยากนี้มันไม่ได้ตายไปกับไ ป, ไปด้วยอานาจของสติพอเวลาสติมีอ่อนกำลังลงความอยากมันก็จะผลักให้เราออกมาหารูปเสียงกลิ่นรสเอง นั่งสมาธิได้ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ทนไม่ไหวแล้วความอยากมันเริ่มดันออกมาแะอยากจะไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่อละอยากจะไปดื่มกาแฟอยากจะไปกินขนมนะถ้าเราอยากจะทำลายความอยากอย่างถาววานนี้เราต้องใช้เหตุผลเพราะความอยากนี้มันเกิดจากความหลงเกิดจากการไม่มีเหตุมีผลเป็นอารมณ์ พออยากแล้วก็ต้องทำตามความอยากเพราะทำตามความอยากแล้วมันสุขเพราะความอยากมันหยุดมันหายไปเวลาเราได้ทำตามความอยากพออยากดื่มกาแฟพอได้ดื่มกาแฟความทรมานใจที่เกิดจากการดื่มกาแฟก็หายความอยากจะดื่มกาแฟก็หายไปเพราะได้ดื่มกาแฟก็เลาคิดว่าการทำตามความอยากเป็นความสุขแต่ความจริงมันเป็นความสุขเดียวเดียวเดียวสักพักหนึ่ง เดี๋ยวความอยากจะดื่มกาแฟถ้วยใหม่ก็มาอีกแล้วแล้วถ้าวันไหนไม่อยากแล้วไม่ได้ดื่มก็จะต้องทรมานใจกาแฟหมดนะหรือว่าไฟไม่มีแก๊สไม่มีต้มน้ำไม่ได้กาแฟเย็นก็ไม่อร่อยถึงกาแฟร้อนไม่ได้หรือเงินหมดจะซื้อกบไม่มีเงินซื้อกาแฟหรือไม่สบายดื่มแล้วไม่อร่อย เนี่ยมันก็จะต้องเจอเวลาที่เราจะไม่สามารถหาความสุขด้วยจากการทำตามความอยากได้อันนี้คือปัญญาเราต้องเห็นโทษของการทำตามความอยากว่ามันจะไม่ให้เราสุขไปอย่างแท้จริงเราจะต้องไปเจอวันที่เราไม่สามารถหาความสุขได้ตามความอยากของเราอย่นั้นสู้เราอย่าไปทำตามความอยากดีกว่าฝืนมัน อยากจะดื่มกาแฟแล้วก็ทำใจให้นิ่งๆไปทำใจให้สงบความทรมานก็จะหายไปเวลาใจสงบนี้ความทรมานหายไปเพราะความอยากหยุดไปถ้าเราทำอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปความอยากมันก็หมดกำลังไปกนที่เลิกบุหรี่เลิกกาแฟเลิกสุราได้ก็เพราะเขาฝืนใจอยากจะดื่มก็ไม่ดื่มอยากจะสูบก็ไม่สูบพอฝืนไปสักพักหนึ่งเดียวมันก็หมดกาลังไป ความอยากจะเดิมจะสูงมันก็จะหมดกําลังไปมีเกิดวิธีที่จะหยุดความอยากต่างๆได้หมดอย่างถาวรแต่ก็ต้องอาศัยสติพอเวลาที่ใจมันสัน่นเราก็ต้องใช้สติหยุดมันเวลาอยากอะไรมากๆใจมันจะสัน่นมันจะทรมานถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดมันได้พอหยุดใจหยุดได้เราก็ไม่ทมําไปทําตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดฤทธหมดกําลังไป เราจะไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจเราอีกต่อไปตายไปแล้วเราก็ไม่ต้องมาเกิดใหม่อีกต่อไปไม่มีอะไรจะมาดึงให้เรากลับมามีร่างกายเพื่อเราจะได้ใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆเหมือนอย่างที่เรากำลังหากันอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวต่อไปก็ต้องไม่สามารถหาได้แก่ลงไปเริ่มแก่มากก็จะรู้เลยว่ามันยากขึ้นจะหาความสุขทางร่างกายแต่ละครั้งนี่มันเหนื่อย สูหาความสุขทางใจเนี่ยไม่ต้องใช้ร่างกายไม่เหนือ่อยนั่งเฉยๆนั่งหลับตาดูลมหายใจยเข้าออกไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเนี่ยให้ใจมีสติกำกับอยู่กับดูการดูลมหายใจมันก็จะไม่คิดไม่อยากพอไม่คิดไม่อยากมันก็จะนิ่งสงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่ต้องใช้ร่างกาย ร่างกายจะดีหรือไม่ดีจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะอยู่หรือจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราใจไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายแนละ้วแต่ถ้าเรายังต้องพึ่งร่างกายอยู่นี่เราจะเดือดร้อนเมื่แต่ร่างกายคนอื่นแล้วก็เดือดร้อนถ้าเราไปพึ่งเขาถ้าไปพึ่งสามีไปพึ่งภรรยาเวลาเขาเปทำงานขึ้นมาเราก็วุ่นวายขึ้นมานะเพราะ เรารู้ว่าต่อไปเราอาจจะพึ่งเขาไม่ได้นะใช้ขอไม่ได้นะเนื่องจากคนใช้เรายังเดือดร้อนเลยคนใช้มันจะลากลับบ้านจะลาออกนี่เราก็เดือดร้อนกันนะเพราะเราไปพึ่งมันพอพอเราู้จะรู้ว่าพึ่งมันไม่ได้เราก็เดือดร้อนขึ้นมาทั้งที่เราไม่มีความจาเป็นจะต้องไปพึ่งเขาเพียงแต่เราขี้เกียจกันนะขี้เกียจทำอะไรเองชอบใช้คนอื่นทําตัวเองชอบนั่งน่งนอนนอน ก็เลยต้องมาเดือดร้อนแต่ถ้าเราเป็นคนขยันทำอะไรเองได้เราก็จะไม่เดือดร้อนก็จะมาเดือดร้อนตอนที่ไอ้ร่างกายที่เป็นคนใช้คนสุดท้ายเราเนี่ยมันมันจะขอลาออกมันจะขอหยุดทํางานตอนนั้นเราก็จะเดือดร้อนถ้าเรายังต้องใช้มันอยู่แต่ถ้าเราไม่ใช้มันเราก็ไม่เดือดร้อนคุะพระเจ้าบอกอัตตาหิอัตโนตนาโถนตนมันยืดพึ่งของตอน แม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเราอย่าไปพึ่งมันพึ่งใจใจนี่แหละเป็นตัวเราของเราพึ่งใจด้วยการทําใจให้มีความสุขด้วยการทําใจให้สงบนั่นก็ต้องพึ่งธรรมะพึ่งธรรมังสะงระนังกชามิคือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีทําใจให้สงบแต่คนที่จะต้องทําใจให้สงบ ก, ก็คือเราพระพุทธเจ้าทําให้เราไม่ได้ เราจึงต้องไปอยู่ป่ากันต้องต้องไปอยู่คนเดียวอยู่ที่เงียบๆเอเพื่อเราจะได้ควบคุมใจของเราได้เพราะถ้าเราอยู่ใกล้คนเดี๋วเดี๋ยวถูกเขาลากไปเดีย๋ยวก็ชวนไปดื่มกาแฟชวนไปกินขนมเอชวนไปดูหนังดูละครเราใจมันมีความอยากอยู่แล้วพอมีมใครมาชวนมันก็ไปเลยเหมือนกับว่าชี้โพลงให้กระลอก ถ้าเราอยากจะสู้ความอยากเราเลต้องไปอยู่คนเดียวจะได้ไม่ไม่มีใครมาล่อมามามาหลอกมามาดึงเราไปดังทีเราก็หลอกตัวเราเองว่าเกงใจเขาเข้ามาชวนแล้วไม่ไปก็เสียเดี๋ยวจะเสียเพื่อนก็อะไรเงี้ยเราไม่มีวันที่จะไปไปทําใจให้สงบได้เมาเมื่อแต่เกงใจเขาเขามาแล้วกลัวเขาเสียหน้า เสียเพื่อนอะไรไ ป, ไ ป, ไปคนที่ต้องการความสงบนี้ต้องพร้อมที่จะเสียทุกอย่างถึงจะไปได้ถ้าไม่ยินดีที่จะเสียก็ไปไม่ได้ลแล้นแล้วการจริงมันไม่ได้อยู่ที่เขาหรอกอยู่ที่เราเองเราหลอกตัวเราเองว่าเราจะไปทําให้เขาเสียใจเขาจะไม่เสียใจเราก็ชวนเราไปเทื่อวไม่ไปเขาก็อย่างมากเขาเขาก็ไปของเขาอยู่ดีนะ เขาก็ไปหาคนอื่นไปก็ได้เขาไม่มีเราไม่ใช่มีเราคนเดียวในโลกนี้เนหะ็นนั้นแต่แม้มีเราคนเดียวก็เขาก็ไปเที่ยวคนเดียวได้ถ้าก็ไม่มีเราไปเที่ยวด้วยแต่กิเลสมันหลอกให้เราว่าโอ้ยเดี๋ยวทาให้เขาเสียใจเออหาว่าไม่มีน้ําใจอะไรก็ว่าไปไม่เมตตา <c oughs> เห็นแก่ตัวทำแต่ได้ พระพุทธเจ้ายังโดนเขาว่าพระพุทธเจ้านี่เห็นแต่ตัวทิ้งลูกทิ้งสมบัติทิ้งภรรยาไปหาความสุขคนเดียวมันความสุขที่ไหนทรมานจะตายไปกว่าจะได้ความสุขนลองไปอยู่คนเดียวในป่าดูเลยดงซิมันมันสุขไหมมันเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่คนธรรมดาทั่วไปจะไม่มีความสามารถที่จะเสียได้ดูเิ เจ้าชายสมัยนี้มีองค์ไหนสละราชสมบัติแล้วไปบวชไหมไม่มีหาไม่ได้นะคนมีแต่สร้างฮาเร็มกันขึ้นมามากกว่าสร้างฮาเร็มซื้อรถเป็นร้อยคันพันคันซื้อเครื่องเบนเซอร์อะไรไอ้ที่จะสละสมบัติเหล่านี้แล้วก็ไปนั่งหลับตาอยู่บนเขาอยู่ในป่านี่มีไหมไม่มีหรอกคนต้องมีความฉลาดจริง เห็นโทษของเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการมีสิ่งของต่างๆว่ามันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวแก่เจ็บตายแล้วก็จะไม่สามารถหาได้เนี่ยเี่ยสิ่งที่ทําให้พระพุทธเจ้าต้องไปก็เพราะการเห็นความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมอายุโตขึ้นมาอายุยี่สิกว่าปียังไม่เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเนยเพราะว่าพ่อไม่ให้ออกมาจากวังขังไว้ในวัง แล้วก็ห้ามคนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวังเพราะกลัวว่าเห็นแล้วเดี๋ยวจะทุกข์เราจะคิดไปบวชเพราะว่าตอนที่ประสูตรมานี่มีการให้โหราจารมาดูมาดูอนาคตว่าต่อไปจะเป็นอะไรโหราจารทุกคนก็บอกว่าถ้าไม่ได้ไปบวชก็ต้องไปต้องไปเป็นมหาจักรรพัดเนี่ยพอก็เลยกลัวกลัวนุ่งจะไปบวช ก็เลยหาวิธีป้องกันไม่ให้ลูกมีเหตุมาทําให้ลูกต้องไปบวชคือไม่ให้ลูกมีความทุกข์ใจให้ลูกมีความสุขใจจะได้หลงติดอยู่กับความสุขจะได้อยู่เป็นมหาจักรพรรดิต่อไปแต่มีโหราจารย์อยู่ลูกหนึ่งแค่บอกตั้งบวชอย่างเดียวมีมีโหลหลายลูกมาทํานายมีโหลอยู่คนนึงบอกว่าต้องเป็นต้องไปบวชอย่างเดียวต้องไปเป็นพระพุทธเจ้าทําให้พระเจ้า แผ่นดินกลัวมากห่วงมากก็เลยสร้างวางังสร้างกำแพงล้อมรอบไม่ให้ลูกออกไปนอกวังไม่ให้ไปเห็นความทุกข์ต่างๆไม่ให้ความแก่ความเจ็บความตายแต่ความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ก็มีอยู่อยู่ในวังนานๆมันก็เบื่อมันเห็นกำแพงมาที่มันก็ถามว่าทำไมต้องมีกำแพงเนี่ยกำแพงมีไว้ทำไมมีไว้ปีนออก <laughs> ก็เลยต้องหาทางออกไปวันหนึ่งก็เลยหนีออกไปให้มหาดเล็กเผาไปพอไปก็ไปเจอเนี่ยเจ้เอกับคนแก่ตกใจไอ้ใครวะเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเราเป็นคนแก่แล้วก็บอกท่านต่อไปก็ต้องแก่จริงเหรอเราก็ต้องเป็นอย่างนี้โอตกใจเห็นคนแก่เดินหลังค่อมถือไม่เท้าโอ้ต่อไปเราจะต้องเป็นอย่างนี้เหรอ เราเดินไปสักพักเราไปเห็นคนเจ็บนอนอยู่หน้าบ้านร้องโอดโวนคางถามว่ามันเป็นอะไรคนเนี้เขาไม่สบายแม้แต่ท่านก็ต้องเป็นเหมือนกันต่อไปโอ้ยิ่งสร้างความจริงว่าอนาคตของจะต้องทรมานนี้ยิ่งกลัวใหญ่แล้วเดี๋ยวไปสักเดินไปสักพักก็มีเดินมีการแห่ศพไปเผาอถามว่าเขาทาอะไรกันขขเขาเอาร่างกายของคนตายไปเผาร่างกายของท่านต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนี้เอ โอ้ยพอรู้อย่างนี้แล้วทีนี้ใจโหดผูเลยไม่มีกรจิกกระใจที่อยากจะหาความสุขเลยเพราะรู้ว่าต่อันมันหาไม่ได้แล้วนไปสักพักก็ไปเห็นนักบวชก็ถามว่าคนนี้ก็ทําอะไรทําไมเขาแต่งตัวไม่เหมือนคนทั่วไปเพราะคนนี้เขายาก็จะไปหาวิธีที่เขาจะไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเขาก็เลยเขาจะเล่ า, าเลยมีด้วยเด้ อ, อมีวิธีที่ไม่หนักหนไม่เจ็บไม่ตาย ก็มีคนพยายามจะหาอยู่ก็เกิ อ, อย่ามาเกิดท่านก็เลยเอา้าได้ความรู้ใหม่ยังมีความหวังถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็อย่ามาเกิดก็เลยพอถึงเวลามินได้ลูกก็รู้ว่าต้องไปแนละ้วเพราะถ้าอยู่ต่อไปก็จะไปไม่ได้เพราะรักลูกห่วงลูกห่วงลูก ก็เลยไม่กล้าไปดูลูกเวลาที่ได้ข่าวว่ามาให้สีข้อลูกออกมาคืนนั้นก็เลยตัดสินใจหนีออกจากวั ง, วงจะไปปรึกษากับใครก็ไม่ได้เพราะปรึกษากับใครก็ไม่มีใครยอมไม่ไปหรอกใช่ไหมมีใครก็จะหาว่าบ้าอยู่ในวังสบายสบายเป็นขอทานแล้พอผพู้นั่งบวชก็อยู่แบบขอทานเนี่ยตอนเช้าก็อุ่มบายก็ไปในหมู่บ้านไปขออาหาร แล้วที่อยู่ก็ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งอยู่ตามมีตามเกิดเป็นเหมือนกับเหมือนเหมือนกับขอทานเพียงแต่ว่าไม่ได้ขอทานเขาไปหาที่สงบหาที่ที่เขาจะทําใจให้สงบแล้วจะได้เห็นสัจธรรมความจริงว่าอะไรทําให้เขามาเกิดกันเนี่ยนี่ก็เลยเนี่ยเป็นเหตุที่ทําให้พระพุทธเจ้าต้องไปไปบวชเพื่อที่จะได้ไปหา ทางไปหาเหตุที่ทําให้ไม่ต้องมาเกิดแล้วหลังจากไปศึกษาไปปฏิบัติก็ได้ที่สุดก็ได้ค้นพบว่าสิ่งที่ทําให้มาเกิดก็คือความอยากที่จะมีร่างกายนี่แหะความอยากที่จะใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆนี่แหละทำให้เราต้องมาเกิดอยู่เรื่อยๆร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปมีร่างกายอันใหม่มเกิดใหม่ ถ้าไม่อยากจะมาเกิดใหม่ก็ต้องมาทำใจให้สงบใจสงบแล้วจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็โลิกใช้ร่างกายได้พะถ้าพอ ถ, ถ, ถ, ถ้าถ้าตายไปแล้วใจมีความสงบกำจัดความอยากต่างๆที่มาทำให้ใจไม่สงบได้ใจก็ไม่ต้องไปมีร่างกายอัใหม่ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ในที่สุดท่านก็หลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตาย คา่างกายความเจ็บทางตายของร่างกายที่ท่านมีอยู่ก็ไม่ไม่ทําให้ท่านเดือดร้อนเพราะท่านไม่ต้องใช้ร่างกายอีกต่อไปท่านใช้ความสงบเป็นวิธีหาความสุขแทนอยู่คนเดียวได้อยู่โดยไม่มีร่างกายได้ร่างกายเจ็บก็ยังสบะก็ยังสุขได้ร่างกายแก่ก็ยังสุขได้ร่างกายตายก็สุขได้นี่คือ ทำไมต้องไปอยู่คนเดียวเนี่ยเพื่อนที่ไปอยู่เชียงใหม่อยู่ที่นี่อยู่ไม่ได้อยู่ใกล้แฟนเดี๋ยวการชวนไปหาความสุขทางร่างกายกันเลยต้องต้องปีกตัวไปอยู่คนเดียวเพื่อที่จะไปสร้างสร้างสร้างสติต้องไปอยู่ที่มันหวาดตัวเช่นตัดในป่าเนี่ย อยู่ใกล้ป่าอยู่ใกล้วัดป่าก็ได้มีเวลาไปอยู่วัดได้ไปอยู่คนเดียวจะได้ไม่มีใครมาดึงมาล่อใจให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็จะได้มีเวลาเดินเดินจงกรมจะสร้างสติขึ้นมามีเวลานั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็สบายแต่ถ้าความอยากยังมีอยู่ ต้องใช้ปัญญาเวลาเกิดความอยากก็ต้องสอนว่าอยากทาตามความอยากทาตามความอยากอาจจะสุขแต่สุขเดียวเดียวสุขก็เดี๋ยวความอยากก็กลับมาใหม่แล้วจะทุกเวลาที่ไม่สามารถทำตามความอยากได้ถ้าไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันจะหมดกำลังถ้าความอยากทาให้เราทรมานใจก็ใช้สติหยุดมันอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้ทำจาใจให้สงบ เนี๋ยมันก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะไปทำเรื่องที่เราอยากจะดูหรืออยากจะได้มาแล้วต่อไปความอยากมันก็จะไม่สามารถที่จะมาสร้างความทรมานใจให้กับเราได้พอไม่มีความอยากแล้วเราก็จะอยู่อย่างสบายไปจนวันตายจนเลยวันตายไปก็ยังมีความสุขอยู่พระพุทธเจ้าตอา น, นี้ก็ยังมีความสุขอยู่ใจของท่านไม่ได้ตาย ร่างกายของท่านตายไปแต่ใจของท่านยังสงบเหมือนอยู่เหมือนตามที่ท่านยังไม่ตายใจยท่านสงบตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหกวันวิสาขบูชาตอนที่อายุสาสิบห้าปีตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ใจของท่านก็ ย, ยังสงบเหมือนเดิมเรวจะสงบแบบนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจไม่มีวันตาย นี่แหละคือเรื่องของการที่เรามาปฏิบัติทำกันมาฟังทำกันมาฟังเพื่อเราได้รู้วิธีหาความสุขที่ที่ถูกต้องที่แท้จริงตอนนี้เรากำลังหาความสุขที่ผิดความสุขปลอมความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ที่จะทำให้เราอยากจะฆ่าตัวตายกันฉะนั้นขอให้เราลองเอาไปทำดูลองเอาไปฝึกสติดูลองไปอยู่คนเดียวควบคุมสติตั้งแต่เติ่ ควบคุมใจควบคุมความคิดด้วยสติตั้งแต่เติ่งขึ้นมาพอเติ่ขึ้นมามันจะคิดก็ใช้พุทโธหยุดมันพุทโธพุทโธไปถ้ามันไม่คิดก็ให้มันเฝ้าดูร่างกายไปตลอดเวลากําลังทําอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับการกระทําของร่างกายถ้ามันจะไปคิดเรื่องนู้เรื่องนี้ก็ดึงมันกลับมาด้วยพุทโธพุทโธ ถ, ถ้าจะคิดเรื่องจําเป็นก็คิดได้แต่เรื่องจําเป็นมันไม่มีมากวันวันหนึ่งจะคิดอะไรมาก อย่างเวลากินจะทําอะไรกินก็เสร็จแล้วจะกินอะไรแค่นี้มันก็เสร็จแล้วแต่ถ้าคิดถึงสิ่งนู้นสิ่งนี้กคนนั้นคนนี้มันคิดได้ทั้งวันอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้คิดไปแล้วก็ทําให้ใจวุ่นวายแล้วต้องไปทําตามความอยากก็ต้องเหน็ดเหนื่อย เ, อเวลาไปทําอะไรทีนึ่งจะออกจากบ้านแต่ละครั้งนี้ก็ต้องเตรียมตวยัวอาบน้ำอาบทา่าแต่งเนื้อแต่งตัว ออกไปก็เหน็ดเหนื่อยกับรถยนอกีกรถติดรถติดราบนท้องถนนอกีกแล้วต้องไปเสี่ยงภัยอกีกช่วอยู่เฉยๆดีกว่าสูญฝืนความอยากดีกว่าวิธีฝืนความอยากก็เห็นถึงปัญหาต่างๆที่จะตามมาเวลาเราไปทําตามความอยากโอ้กว่าจะได้ออกจากบ้านให้เหนื่อยซู่มานั่งสมาธิดีกว่าพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวเดียวจิตสงบแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัว นี่คือวิธีหาความสุขแบบใหม่ที่เราไม่เคยมีกันไม่เคยหากันไม่รู้กันว่านี่เป็นความสุขที่แท้จริงขอให้เราลองมาหากันดูลองมาทำกันดูแลรับรองกันได้ว่าจะติดใจเพราะลดแห่งทมชนะลดทั้งปลวะความสุขที่ได้จากธรรมะนี้ชนะความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆทั้ ง, งปวงลวกเรวขอให้เอาไปพิจารณาและปฏิบัติ ด, ดู เพอความสุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุมูทนาให้พอรอยาทาวาวาหาปุราปาริ ป, ป, ป, ปุเรนติสากขลงเอวเมวะอิตโตทินงังเปตานางังอุปกัปรปติ อิที่ตังปะที่ตังตุมหังคิดป้าเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทตนะรโสยถามานิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิว h จจันตุสัพพโรโคเวนะสตุมาเตภวัตตวันตารโยสุขีทีคายุโกภะ อะพิวาทานาสีมิสสะนิจังวุธาปัจจายนโนจตารุธัรมวาทานติอายุวันโอสุขัง ไ, ไออกอ่ า, นะากกลับมาง ให้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะได้ความอยากอะไรต่ตางๆมันจะถอยลงไปมันจะกระตุ้นให้เราไปหาความสุขจากการปฏิบัติถ้าเรายังไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วคิดว่าหามันไปเรื่อยๆหาเงนไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันต้องถามมันไม่เดี๋ยวมันเวลาแก่เจ็บตายจะทำไง ก็สติมันน้อยเไอสติมันมีกําลังแค่แลบมีแล็บลิ้นมันได้นิดเดีย ว, วไม่ฝึกไม่ฝึกสติทั้งวันนี้เริ่มอยู่กับเวทนาพอไดอ้บางทีคเห็นดูเวทนาอยู่แล้วก็ใจไม่ไปทุกอ์อก็แสดงว่ามีสติถ้าไม่ทุกข์ก็แสดงว่ามีสติตจะให้รวมวนามันไม่ปฏิบัติทั้งวันมันไม่ได้รวมวนานต้องปฏิบัติทั้งวัน ตั้งใจเก็บเงินเก็บทังไว้นะอย่าเอาไปใช้หมดนะแบ่งให้แม่บ้ า, บางเราเป็นหนี้แม่รู้ป่าวเอาเงินแม่ามาใช้เท่าไหร่แล้วเนี่ยใช้ติดเดือนเออดออีต้องรู้จักใช้หนี้บ้างนะส่วนที่เหลือก็ไปทําบุญบ้างบุญนนี้เป็นของเราเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่ีอย่ให้คนเขา้าขยับขยายไปก่อน อยาจกจะถามอะไรก็อ เ, เออก็ไม่รู้จักที่แท้แบุตรพุทธชัยมงคลคาถาไม่เข้าใจบุตรเชียอ๋อก็ไม่มีคําแปลเลยมีไหมมีม<ะ>แต่ก็ไม่เข้าใจอ๋อไม่เข้าใจก็จต้องไปเปิดดิจิทัลรีมั่งก็มีคําแปลแต่ละ อ, อันแต่ละอันลองลองลองไม่เข้าใจตรงไหนลองอ่า น, น<ม>เลยอปจารย์ที่บายให้ฟังยังเช่นที่แบบวชนะมาน อคือคำว่ามานี่คือสิ่งที่มันเป็นตัวที่มาทําทําลายใจเราทาให้เราโกรธความโลภความโกรธพวกนี้เรียกว่ามารเราต้องการชนะไอ้มานตัวนี้มารมันไม่ได้เป็นรูปร่างหน้าตาเป็นคนแต่ไปมนาะถึงส่วนที่ไม่ดีในใจเราเช่นความโลภความโกรธความหลงนี่มันไม่ดี ว่ามันจะไปทำให้เราไปทำสิ่งที่ไม่ดีเวลาเราโลภแล้วอยากได้อะไรมากๆเราอาจจะต้องไปทำบาปเพื่อจะได้สิ่งที่เราอยากได้มาเวลาเราโกรธใครเ้วก็อาจจะไปทำร้ายเขาเราต้องฆ่ามารตัวนี้ฆ่าความโลภความโกรธความหลงแล้วทนีนี้อันนี้ที่บอกว่าพระจอมมณีได้รงชนะคากล่าวลายขอ ง, ขอ ง, งนาง นางจิ๋งจิ๋งสมาอืมอันนี้เราก็ไม่รู้เป็นใครนะอันนี้ต้องไปอ่านเพราะใต้บิดกมันมีเรื่องราวไง ย, ยกความเหล่านี้มันมันมีเรื่องราวมาถ้าเราไม่ได้ศึกษามาเราก็จะไม่รู้ความวความหมายว่าเป็นยังไงแล้วมันจะเหมือนกับชนะมารก็เหมือนเพราะว่าท่าที่เข้าใจนางันนี้เคยไปกล่าวหาว่าพระเจ้าเจ้าไปไปทําให้เขาท้องอซึ่งเป็นการโกหก ในพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทำํำพระุเจ้าก็ใช้ความจริงก็คือปฏิเสธไปแล้วในที่สุดความจริงมันก็ปรากฏขึ้นมาเองแต่ท่านพระพุทธเจ้าไม่เดือดร้อนเฉยๆเพราะท่านถือว่าอยู่ในโลกนี้ใครก็จะชมและจะด่านี้ไปห้ามเขาไม่ได้เราต้องยอมยอมรับความชมคําด่าแตเา่เรายืนอยู่บนความจริงะ ถ้าเราทําผิดเราก็ต้องยอมรับไปว่าถ้าความจริงมันผิดเราก็เราก็สารภาพไปถ้าความจริงเราไม่ผิดเราก็บอกไปว่าเราไม่ผิดตันเองเพราะฉะนั้นบทสรุปก็คือทั้งหมดนี้คือเราต้องต่อสู้กับสิ่งที่มามาควรใจอ่าคือทําใจให้สงบไงถ้าเราฝึกทําใจให้สงบเป็นใจเราจะเฉยเรียกอุเบกคาไงจะมาด่าเราเราก็เฉยเพราะเรารู้ว่าเราห้ามเขาไม่ได้ ใครก็จะชมเราเราก็ไม่ดีใจเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวเขาก็เขาก็หยุดชมไ ด, เ ด, มได้เขาจะไม่ชมเราทุกวันเราจะได้ไหมก็คือสรุป ก, ก็คือการการสวดมนต์นี้ก็เพื่อให้เรามีสติให้เราหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วเรานั่งสมาธิใจเราก็จะสงบเป็นอุเบกขาแล้วต่อไปใจเราจะนิ่งใครจะว่ายัางไงก็ไม่เดือดร้อน ห้ามก็ไม่ได้ใครเขาจะทำร้ายเราก็ห้ามก็ไม่ได้เราก็มิ้นหน้าที่หลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกหลบไม่ได้หลีกไม่ไ ด, ไได้ก็ต้องยอมรับกรรมไปแต่ใจเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ถ้าใจถ้าใจเรานิ่งเราจะไม่ทุกข์ถ้าใจไม่นิ่งเราจะทุกข์มากเพราะเราจะโกรธขึ้นมาเราจะโมโหเราก็จะตอบโต้แล้วเดี๋ยวก็ไปต่อสู้กัน เดี๋ยวก็ยิ่งทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาใหญ่และอันที่พระจอมนีโโปรให้พระโมคคัลลานถท<ถ>และโท<ล>ธิโนรถนิรามิตกลายเป็นนาคลราหมายถึงว่าตรงนี้หมายความว่าอไรอ๋อพระโมคคัลลานี่ท่านเป็นสาวกนงและท่านนี้ ความสามารถพิเศษสามารถแปลงกายของท่านให้เป็นเป็นอะไรต่างๆได้ <Yeah. S 1> ก็เท่งนั้นเอง <Yeah. S 1> อหน้าเราก็ไม่เคยเจอกันเ้า <Yeah. S 2> หน้าว่าเป็นพญานาคเขาเป็นงูแต่ mm hmm. กางจีนเพศชนิดหนึ่งกายทิพย์เรืนี้มันเป็นกายทิพย์มันไม่ได้เห็นด้วยตาหยาบๆของพวกเรามันต้องเป็นตาตาในถึงจะเห็นพวกที่มีสมาธิเขาถึงจะเห็นพวกกายทิพย์ต่างๆ แล้วเหมือนนิมิตไหมครัก็เหมือนนิมิตเหมือนตอนที่เรานอนหลับฝันเนี้ยตอนที่เราฝันนี่เราใช้ตาทิพวใช่ไหมเราไม่ได้ใช้ตาเราลับนอนหลับตาใช่ไหมแต่เราเปิดตาในเปิดตาทิพตเวลานอนหลับที่เราฝันเราจะใช้ตาทิพตฝันว่าเราไปเที่ยวที่นั่นกับคนนั้นคนนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้เป็นเรื่องของของของโลกทิพตเนี่เวลานอนหลับหรือเวลาเราเข้าสมาธิเราถึงจะเข้าไปในโลกทิพตได้ แล้วก็เป็นอย่างที่ท่านพูดเ ม, มื่อกี้หมายว่าถ้าเผื่อฝันดีเป็นนิมิตติก็เราก็มีผู้ใ<ช>ถ้าไม่มีีก็เราไม่มีใช่อันนี้มันนิมิตที่เกิดจากใจเราปรุงแต่งขึ้นมาแต่มันก็มีนิมิตจากข้างนอกมาหาเราได้เช่นพระพุทธเจ้าอาจจะมาเยี่ยมเราก็ได้ถ้าเราสามารถติดต่อกับท่านได้พระพุทธเจ้าไปติดต่อกับแม่ของท่านได้นะแม่ท่านตายไปตั้งแต่ตอนที่ท่านคลอดออกมาใหม่ๆแม่ก็เสียชีวิต พระมุตตะเจ้าตัดสั้มีพลังจิตสามารถติดต่อกับพวกกายทิพย์ในโลกทิพย์ได้ท่านก็ไปค้นหาแม่ในโลกทิพย์แล้วก็ไปเจอก็ไปสนทนาธรรมสอนธรรมะให้กับแม่ได้สอนจนแม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาคนต้องมีพลังจิต ม, มีสมาธิถึงจะติดต่อกับพวกกายทิพย์ต่างๆได้กายทิพย์ก็คือพวกเราเนี่ที่ตายไปแล้วไม่มีร่างกายเราก็เป็นกายทิพย์ไป กายทิพย์ที่มีความสุขก็เรียกเทวดากายทิพย์ที่มีความทุกข์ความว<ม>ุม่นวายใจก็พวกเปรตพวกนรกนี่ที่เกิดจากการทําบาปแต่บางทีเรากายทิพย์เราไม่รู้เป็นยังไงแบบก็อาจจะมีเสียงกระดิ่งอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้ว่ามันดีหรื อ, อร้อายอ๋อไม่จําเป็นถ้ามันมันมันจะดีก็ได้มันจะบอกเราเองอะ่ะถ้ามันไม่ได้บอกก็สแสดงว่ามันไม่ได้ดีมันไม่ได้ร้ายเราก็ไม่ได้บอกแต่แบบมันก็ทําให้เราตก ก็เราไปตกใจเองใช่ไหมไปไล่มันทําไมก็ฟังไรเฉยๆรับรู้เฉยๆเหมือนเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่ามันร้องป้ามันก็หายไปเราดูด้วยมันทําอะไรเราหรือเปล่าทาไม่ทํามันก็มันก็ไม่มีอะไรแล้วได้ยินเสียงอะไรล้วก็ฟังลงไปแล้วดูซิว่ามันมันทำอะไรเราหรือเปล่าอย่าไปตกใจอย่าไปอย่าไปเขาเรียกาเป็นกระต่ายตื่นตูมก็ยังนะอาจให้มีเพราะใจเราไม่มีสมาธิไงใจเราไม่มีอุเบกขา พออะไรมากระทบหน่อยที่แปลกหน่อยแล้วก็จะตกใจกลัวขึ้นไปทันทีแต <Yeah. S 1> ถ้าเราฝึกสมาธิฝึกสติอยู่บ่อยๆจะเราจะนิ่งแล้วพออะไรมากระทบก็จะตั้งหลักได้ <Yeah. S 1> จะรับรูเ้เฉยๆได้งั <Yeah. S 1> ้นเราต้องมาฝึกสมาธิบ่อยๆ <Yeah. S 1> ให้ใจมันเป็นเหมือนก้อนหินตอนนี้มันเป็นเหมือนปุยนุ่นก็ <Yeah. S 1> ยัง น, นลมพัดเบาๆก็ปิวไปแล้ว yeah. ก็ไม่มีไม่มีความหนักแน่นไม่มีอุเบกขาถ้าเรานมาฝึกสตินั่งสมาธินานาออกไปจิตจะมีความหนักแน่นเะลายมากระทบนี้มันจะเฉยแล้วมันจะมีใช้ปัญญาวิเคราะห์ได้ว่า เ, าเป็นอะไรเป็นคุณเป็นโทษกับเราหรืนเปล่าโดยที่ไม่ไปตัดสินใจกระ ท, ทันทันทีทันใดบางทีเขามีคุณแต่เราตกใจแล้วก็วิ่งหนีแล้วนะ งนั้นต้องมาฝึกสติฝึกจิตพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งให้มีความหนักแน่นให้มีอุเบกขาโดยการฝึกสติบ่อยๆคอยควบคุมความคิดความคิดเหล่านี้ที่ทําให้ใจเราวุ่นวายถ้าเราหยุดคิดแล้วใจเราจะไม่วุ่นวายใจเราจะนิ่งใพยายามหยุดคิดโดยการใช้คําบาลีคำพุโทโธพุโทโธถ้ามันคิดก็ใช้พุโทโธพุโทโธ แข่งกับมันไปเดี๋ยวมันก็หยุดคิดเองถ้ามันไม่คิดเราก็ให้ดึงใจให้อยู่กับร่างกายไว้อย่าปล่อยให้มันไปคิดคอยเฝ้าดูร่างกายว่าตอนนี้ร่างกายเรากำลังทำอะไรกำลังเดินก็ให้เฝ้าดูว่ามันกำลังเดินเราจะได้เดินไม่ผิดพลาดถ้าเราเดินไปคิดไปเดี๋ยวก็เดินไปเตะก้อนหินได้เดินไปลื่นหกล้มได้แต่ถ้าเราเดินด้วยมีการมีสติคอยเฝ้าดูการเดินของร่างกายนี้เราจะปลอดภยัย ใจเราก็จะปลอดภัยใจเราก็จะนิ่งจะเย็นจะสบายอันนี้หมายความว่าเรามีเมตตาจิตน้อยไปหรือเปล่าอ๋ออันนี้ก็<ม>แล้วแต่ก็อยู่ที่ว่าเรามีความโลภมากโลภน้อยถ้าโลภมากเมตตก็น้อยถ้าโลภน้อยเมตตก็มากคือความโลภ ก, ก็คือเราเมตตาตัวเรามากเราไม่ค่อยเมตตาคนอื่นเราอยากจะได้อะไรให้เป็นทําเราเพื่อตัวเรา เราก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปทําอะไรให้คนอื่นแต่ถ้าเราไม่ค่อยอยากจะทําอะไรให้กับเราเราก็จะไปทําอะไรให้กับคนอื่นได้มากขึ้นของนี้เราก็ต้องหัดหัดสร้างมันขึ้นมาหัดบังคับตัวเราเองเนี่ยเช่นทําบุญทำ ท, ทานนี่ก็เป็นการแผ่เมตตาและอย่าไปนั่งสวดนะการสวรดไม่ได้แผ่ก็เนี่นยนะนั่งสวดเมแผาเมตตาตามหนังสือก็บักสัพเพสัตตาเวลาหงุดหงอันนี้เป็นการเรียนเป็นการซ้อมแผ่ วิธีจแผ่จริงๆต้องมีคนรับความเมตตาของเราเช่นเห็นขอทานก็ให้เงินเข้าไปเเีย่แผ่เมตตาเพราะนั้นเราต้องหัดทําทานทําบุญทําทานแล้วเราจะมีความเมตตามากขึ้นอัดช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนที่เขาทุกขยากลําบากกับเราอย่างทุกศาสนาเขาก็สอนอย่างนี้สอนให้ช่วยเหลือกันให้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน วความเมตตานี้จะทําให้ใจเรามีความสุขนอนหลับก็จะฝันดีเดี๋ยวเป็นบุญเนี่ยเป็นการกระทำความดีถ้าเราทำใจให้สงบได้ความโลภจะน้อยลงมากเราจะทำให้เราทำประโยชน์ทำความดีให้กับคนอื่นได้มากแต่ถ้าเรามีความโลภเราจะไม่มีเวลาไปทำประโยชน์ให้คนอื่น เราจะอยากหาสิ่งต่างๆมาให้กับเราเราก็เลยทำเป็นการเป็นเหมือนกับคนไม่มีความเมตตาไปการที่จะไปช่วยคนอื่นบอกไม่ว่างแล้วต้องรีบต้องไปทำนู่นทานี่เพราะเรามีอยากมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มากแล้วเราก็ต้องไปหามาเวลาที่จะให้กับคนอื่นเลยไม่มีเรื่อเราต้องตัดความโลภความอยากให้น้อยลง เอาพอพออยู่ได้ก็พอเสื้อผ้าพอมีพอใช้ก็พอแล้วอาหารพอมีพอกินก็พอแล้วมีบ้านอยู่ อ, อาศัยได้ก็พอแล้วอย่าไปหาของที่มันแพงๆของฟุูมเฟยมาใช้มันจะทำให้เราไม่มีเวลาที่จะมาทำความดีกันความดีนี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขกันการหาอะไรให้กับตัวเราด้วยความลูกนี่มันสุกดี๋เดียว ลรวมันจะกลายเป็นความทุกข์เวลาที่หาดิ้นมันก็ทุกข์ไปนะเวลาต้องไปหาสิ่งนะั้นสิ่งนี้มามันก็ต้องดิ้นต้องหาต้องเหนื่อยพอได้มาก็สุขเดียวเดียวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากจะได้ของใหม่ขึ้นมานะก็ต้องไปหาใหม่ดนะัแล้วเราต้องควบคุม บ, บังคับตัวเราอย่าให้โลภมากให้มีเท่าที่จำเป็นต้องมี ถ้ามีพอแล้วเราก็เอาเวลามาทำความดีกันดีกว่าจะช่วยคนอื่นก็ได้เลยจะมาทำใจของเราให้สงบก็ได้แล้วแต่เราชอบเราอยากจะช่วยคนอื่นก็ไปช่วยคนอื่นช่วยคนอื่นแล้วก็จะทำให้เรามีความสุขหรือมานั่งสมาธิทำใจให้เราสงบเราก็มีความสุขได้เหมือนกัน น, นี่คือคำสอนของพระเจ้าสอนแค่ น, นี้สอนให้ทำความดีอย่าไปทาบาป แล้วก็มาทำใจเราให้สงบแล้วเราจะได้พบกับความสุขที่ที่ดีที่ไม่ไม่มีโทษความสุขที่ปีเทอก็คือความสุขที่เราทำตามความอยากอยากได้อะไรก็สุขเดน๋ยวเดียวแล้วเดียวมันก็หมดไปแล้วก็ต้องอยากขึ้นมาใหม่แล้วพออยากเราไม่ได้ก็จะทุกข์อาใจแล้วน ะ, ะหมดแล้วยัง แต่หมดเราเดินจะได้คนอื่นถามต่อบมีใครอยากจะถามไหมแต่มันเป็นวงจรนี่ทำไมก็วงจรไงเราเราต้องเริ่มจากความอยากก่อนก็ใช่อวาอยากเราก็ไปหาคนที่สอนเราสิพอเจอคนที่สอนเขาก็บอกให้หยุดอยากเราก็หยุดเสิหยุดแล้วเราก็จะเราก็จะหายทุกเราก็ตอนนี้เราไม่รู้ไงว่าเราต้องหยุดความอยากแม้แต่ความอยากที่จะหยุดพ้นก็ต้องหยุดมัน ที่เราไม่รู้จะหยุดยังไงเราก็ต้องไปหาคนที่เขาจะสอนหรอกคนเขาก็จะสอนว่าอยากจะหยุดความอยากก็ต้องทําทางรักษาศีลปฏิบัติทําไปแล้วเราก็จะหยุดความอยากได้คือคำถามค่ะคือในชีวิตคู่เนี่ยเราจะทํำยังไงที่เราจะซัพพอร์ตให้ทั้งคู่เนี่ยไปสู่ผนทางของเองได้ที่ได้ค่ะก็ไปเมื่การปฏิบัติพร้อมกันเนี่ย จริงๆแล้วมันควรจะต้องล ะ, ะชีวิตของกู้สมรู้รู้ฝักค่ะในที่สุดแล้วก็ไปด้วยกันยังการไม่รได้อไนอนร่วมกันเท่านั้นเองไม่ต้องไปทํากิจกรรมร่วมกันแต่ก็สามารถไปวัดไปอยู่ปฏิบัติไปทําบุญทําทานไปรักษาศีลด้วยกันได้เพียงแต่ต้องเวลาปฏิบัติเวลานอนเขาก็ให้แยกกันนอนกนละห้องนั้นเองก็อย่าไปทํากิจกรรมที่มันเกี่ยวกับทางเพศเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่บุญ แต่คนด้วยใช่ไหมคะคือคนึ่งอาจจะไปได้มากกว่าแต่นื่องจากถ้าามีกำเกี่ยวกันเนี่ยเราก็จะมาเกี่ยวกันอีกในชาติหนึ่งชาติต่อไปไปเรื่อยๆไป่ะคะอันนี้มันก็มีส่วนแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วถ้าเราบรรลุนั้นไอ้ไอ้ไอ้กเหล่านี้จะไม่มีความหมายจะไม่มีกำลังเพราเราจะยากออกจากทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วถ้าในชาตินี้เนี่ย ถ้ากรรมมันจะหตอกันแสดงว่ามันก็จะหลุดจากกันไปเองใช่ไ้มคะมันก็จะไม่ห่วงกันไง อ, อย่างมีสามีภรรยาสิทธิ์ของพระ อ, อาจารย์มัน อ, อชื่อพระ อ, อาจารย์พรมท่านก็เป็นสามีภรรยาแล้วท่านกับภรรยาก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันมาจนถึงขีดวันหนึ่งท่านอยากจะได้บวชภรรยาก็บวชก็เลยตัดสินใจยกสมบัติที่มีอยู่ให้คนอื่นไปเพราะไม่มีลูกแล้ว สามีก็ไปบวชเป็น พ, ะพระภรรยาก็ไปบวชเป็นชีแต่ก็ต่างคนก็ต่างปฏิบัติเพราะเวลาปฏิบัติไม่ต้องอยู่ร่วมน้นวนะล้ก็ปฏิบัติไปแล้วพระอาจารย์พรมท่านก็บรรลุเป็นพระหลานขึ้นมาแต่ภรรยาท่านไม่ทราบข่าวว่าด้บรรลุหรือเปล่าแล้วในชีวิตการทํางานนะคะคือมันจะต้องมีการตั้งเป้าหมายว่าจะต้อง สำเร็จเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องรัดเหมืได้เท่านั้นเท่านี้อย่างเงี้ยทำให้เราละความอยากได้ได้ยากมากค่ะก็อยู่ที่เราไปตั้งมากก็ตั้งน้อยสิอย่าไปตั้งมันมากสิตั้งเท่าที่จําเป็นใช่เศรษฐกิจพอเพียงไงในหลวงบอกพอเลี้องต่างเรี้ยงท้างได้ก็พอแล้วะเอาอะไรไปแตายไปแล้วก็อะไรไปไม่ได้ใช่ค่ะนะถ้าเราตั้งเป้าน้อยเราก็จะได้สําเร็จง่ายแล้วเราจะได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นต่อได้คือบางทีมันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียว มันก็จะอยู่ที่หัวนั่งงานเราด้วยว่าอาเขาจะต้องมันจะต้องมานั่งคุยร่วมกันเขาก็พยายามจะพุชให้เราทาให้ได้มากอย่างนี้เราก็ไปทํากับเราคนเดียวสิไปขาย <c oughs> ขายนมครบก็ได้ <c oughs> <c oughs> ขายขนมครกแล้วใครจะมา <c oughs> <c oughs> ถ้าเราไม่ต้องการมากเลาเรายังไม่ต้องไปทํากับใครเลยเรายัางเรายังโลภอยเรายังอยากได้มากอยู่ <c oughs> เราก็เลยต้องอาศาัยคนอื่น <c oughs> เขาก็เลยมาดันเรา ถ้าเรามากน้อยแล้วไม่มีปัญหาไปขายปลาท่องโกะไปขายขนมค้กคนเดียวก็ได้ขายปลาท่องโกะยิ่งสบายขายแค่ตอนเช้าสายก็เสร็จแล้ว ม, มีเวลาว่างไปปฏิบัติธรรมได้แนละ้วใช่ไห ม, มเราต้อ ง, องตั้งเป้าใหมาอย่าไปตั้งเป้าที่เงินทองลาบยศสำลักเสงไปตั้งเป้าที่การปฏิบัติธรรมล้วทํำยังไงเราจะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมมากแล้วก็ทํางานให้มันน้อยทําอาชีพที่ไม่ต้อง ทำทั้งวันทั้งคืนถ้าพอมีอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอแนละ้วเราก็จะได้มีเวลาไปปฏิบัติได้อย่างตอนที่เราอยากจะปฏิบัติตอนนั้นเราเก็บเงินได้ก้อหนึ่งเราก็เลยลาออกจากงานไปอะมีงานมีเงินครานี้ใช้ได้ปีหนึ่งแล้วอพอแล้วเอาค่าปีหนึ่งบวชแล้วค่อยว่ากันใหม่ไปปฏิบัติทําได้ทั้งวันทั้งคืนหนึ่งปีทานนี้หนทางที่บอกว่า Enlightenment เ, น, าเานี่ย จะต้องเป็นหนทางของนักบวชอย่างเดียวหรืปล่าหรว่าต้องเป็น daily life ก็ได้ก็ daily life ก็ได้ก็ต้องเริ่มต้นอย่าง daily life ไปก่อนเนี่ยเพราะว่าเราไปบวชทันทีไม่ได้แล้วก็ปฏิบัติไปในธนคารวาสก่อนจนไปถึงขีดเนึ่ยเราจะรู้สึกว่ามันตัดตันมันไม่สะดวกรวดเร็วเหมือนกับการไปบวชเราก็ไปบวชต่อมันปลูกต้นไม้ตอนต้นก็ปลูกในกระถางได้ใช่ไหมแล้วปลูกไปเรื่อเนต่อไปดินในกระถางมันก็หมด มันจะกลายเป็นล่างสังเกตไหมต้นไม้บางปลกในกระถางมานานๆนี่มันจะดินมันจะกลายเป็นรากเป็นต้นไม้ไปหมดถ้าอยากจะให้มันใหญ่กว่านี้นก็ต้องย้ายมันลงไปปลูออกในดินต่อไปนการไปปลูกก็เหมือนกับย้ายต้นไม้จากกระถางไปไปลงดินแต่เป็นผลทางเดียวหรือเปล่าหรือว่าบางคนก็สามารถบรรู้ได้โดยที่ได้อาจจะบรรลุก่อนที่ไปหลูก็ได้ครับว่าได้กาละว่าบางคนมีบุญมีปัญญามากฟังธรรมข้างเดียวก็บรรลุได้ก็มี แต่น้อยมากส่วนใหญ่ที่บรรลุกันต้องเป็นนักบวยกันทั้งนั้นคันนี้ก็เกี่ยวข้องคำถา ม, ถามที่ผมอยากจะถามคือว่าสมมุติว่ า, าคนเราทั่วไปเนี่ยเกิดมาเนี่ยต้นทุนจริงๆแล้วต่างกันมากกรณีนง่ทั้งเอาทางด้านฟิสิกส์ก็ได้ทางด้านสปิริชั่ก็ได้ทางด้านร่านกัยทางด้านจิตใจคันนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าโดยเฉพาะคนเราที่เกิดมาในต้นทุนที่ไม่ดีนัะเช่นทางด้านสปิริตชั่วนะครับ อาจจะติดที่นิสัยที่ไม่ดีมาหรืออะไรกันเราแต่ที่ไม่ดีมาเย<ม>จนบางครั้งเนี่ยาการแก้ที่นิสัยพวกนี้มันยากมากจนมันบางทีเนี่ยมันก็บิดเบือนไปเหมือนกับเอ๊ะนี่มันเป็นนี่เป็นกรรมเก่าหรือเปล่าของเราหรือเปล่าและเราต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปหรือเปล่า<ผ>มันไม่มีอะไรตลอดเปลี่ยนได้เพียง่ยาก ง, ง่ายเท่านั้แล้วก็ถ้ายากก็กลังพยายามมากหน่อยเหมือนถอนต้นไม้ถ้ามันลงลึกมันก็ถอนยากหน่อยรากมันลึก ถ้ารากมันไม่ลึกต้นยากนี่มันก็ถอนง่ายหน่อยแต่ยาก ง, ง่ายถ้าพยายามมันก็สําเร็จจนได้ยไม่มีอะไรที่คําว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ในเรื่องของนิจัยเราเนี่ยเปลี่ยนได้แม้กระทั่งองค์คนนี้มาเก้าคนละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนพอมีคนมาบอกว่าผิดเ น, นมันก็เปลี่ยนได้ทันทีพลิกได้ทันทีไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้เพียงแต่ว่าเรามีกําลังหรือมีคน ที่จะชี้บอกเราหรือเปล่าวิธีว่าเปลี่ยนมันเปลี่ยนยังไงเห็นเทษของการกระทําของเราถ้าเราเห็นโทศของการกระทําของเรานี่เราจะเปลี่ยนได้ง่ายเลยถ้าเราไม่เห็นเราไปเห็นว่ามันยังเป็นคุณอยู่เช่นมางคนสูบบรีก็ยังว่ามันสุขอยู่ก็เลยเลือกยากเห็นว่าถ้าเลิกก็ทุกข์มือเลยไม่อยากจะเลิกแต่ถ้าเราบอกว่าเลิกก็มันทุกข์แต่ทุกข์เดียวเดียวถ้าเดี๋ยวพอพอหาอย่างแล้วมันจะไม่ทุกข์ต่อไปมันก็จะทำให้มีกําลังใจยอมทุกข์เดียว เหมือนที่เราเวลาเป็นโครคภัยไข้เจ็บหมอบอกต้องผ่าเงี้ยถ้าไม่ผ่าก็ต้องเจ็บไปเรื่อยๆผ่าก็เจ็บแต่เจ็บเยอะเดียวจะเอาอยัางไงอก็ยอมเจ็บใช่ไหมยอมผ่าใช่ไหมผ่าเพื่อจะได้หายเจ็บแต่บางครั้งเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราก็ทําเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่เห็นทุกเราไม่เห็นความไม่ดีมันโดยเพราะอย่า <ừ. S 2> เ, เ, เช่นอาจจะเป็นเรื่องนิสัยที่ไม่ดีอ่าอะไรก็แล้วแต่อ่าจะเป็นคนที่มีโธ่สามารถ อันนี้เราก็เห็นอืมเห็นแต่ว่าการเปลี่ยนยบางครั้งรู้สึกว่ายากมากใช่เพราะวาอาจจะยังไม่ได้เห็นผลที่มันกระเทือนกับเราจริงๆเช่นไปติดคุกขึ้นมาเนี่ยอาจจะเห็นผลขึ้นมาก็ได้แล้วก็ไปคุณไม่โกรธล้วไม่ฆ่าคนแล้วันยังมันยังไ ม, ม, ยงไม่ยังไม่ได้รับโทษเห็นเห็นเป็นทางเชิงทฤษฎียังไม่ได้เห็นด้วยจากผลที่เกิดเกิดจริงๆขึ้นมาแต่เห็นผลจริงๆแล้วมันอาจจะเข็ดก็ได้ ไม่เอาแล้วแล้ว อ, อีกหนึ่คำถามนะครับ<า>คำถ <คำ S 2> ามสุดท้ายเนี่ยหมดเวลาแล้วเวลาคนเราคนเราเนี่ยรู้สึกว่าอย่าผมเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยเชื่อนะฮะว่าคนเรากําหนดชะตาชีวิตเราได้แต่บางครั้งเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วบางบา ง, บางคนเนี่ยก็เหมือนกับแบบมีคนกําหนดมาให้แล้วนะว่าเป็นอย่างนี้อย่างเช่นบางคนเนี่ยเราเห็นเนี่ยเราสามารถ define ได้แล้วว่าคนเนี้ยจะ success โนแมานวอตเขาจะสักเซสเขาก็จะสักเซสนะครับค well ือบางทีมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าหรือว่าเราโวนกําหนดมาว่าเราจะเราจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไอ้สิ่งที่นิสัยดั้งเดิมเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าบางทีอาจารย์มีความคิดยังไงบ้างครับอย่างไอเรื่องที่ลักษณะของที่ว่าที่บอกว่าก็บอกว่าเราเรามีนิสัยเดิมติดตัวมาเราใช้มือซ้ายมือขวานี่มันก็ติดตัวมาอยู่แล้ว แต่เราเปลี่ยนได้ถ้าเกิดมือขวาเราเสียเราถูกบงังคับมาใช้มือซ้ายเราหัดใช้มือซ้ายไปเดียวมันก็ใช้ได้อืย mm ัง hmm. ไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่ได้แต่อณไทีข่ของที่ถูกกาหนดมาแล้วเราก็เปลี่ยนมันได้ mm hmm. อยูที่เราจะจะอดทนกับการเปลี่ยนได้หรือไม่เท่านั้นเองพราะเวลาเปลี่ยนมันจะต้องอดทนเพราะเราต้องทําในสิ่งที่เราไม่ไม่ถนัดไม่ชอบทํา mm hmm. แต่พอเราทําไปสักพักมันก็จะ ชินเองมันก็จะทําได้เหมือนเมื่อก่อนเราอยู่เมืองไทยกินอาหารไทยพอไปอยู่เมืองนอกต้องหัดกินอาหารฝรั่งตอนต้องกากินไม่ลงแต่ต่อไปความหิวมันก็บังคับให้กินเองเพราะไม่มีอะไรจะให้กินกินไปกินมานี้ติดอาหารฝรั่งกลับมาเมืองไทยต้องแหมอาหารฝรั่งกินใช่นั้นมันเปลี่ยนได้ของพวกนี้บางทีมันอาจจะต้องมีเหตุการณ์หรือมีอะไรมาบังคับเรามันถึงจะเปลี่ยนถ้าไม่เช่านั้นเราก็ต้องบังคับตัวเราเองถ้าเราเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนที่ดี นะเอาละนะเกียรติคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิิพจารณาในปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทรรมยิ่งขึ้นไปท้า